แม้รวยเท่าใดอย่างไรก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุดจะหยุดได้ก็เพียงด้วยยอดแห่งบุญยิ่งรวยแต่เงินยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งรวยแต่เงินยิ่งโลภมากอยากรวยขึ้นยิ่งรวยแต่เงินยิ่งทำตามใจชอบยิ่งรวยแต่เงินยิ่งหงุดหงิดง่ายยิ่งรวยแต่เงินยิ่งรักง่ายนายเร็ว ยิงรวยแต่เงินยิงยิงยะโสยิงรวยแต่เงินยิงบาอำนาจยิงรวยแต่เงินยิงเห็นโลกบิดเบี้ยวถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรมะจะไม่เป็นคนเช่นนั้นถ้ารวยธรรมะยิ่งกว่ารวยเงินจะเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นยิงจะเป็นคนอยากเผื่อแผ่เจือจานยิง จะเป็นคนทำตามถูกตามควรยิ่งจะเป็นคนมีใจใสนิ่งสงบเย็ยนยิ่งจะเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนมียิ่งจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งจะเป็นคนกระจายอำนาจยิ่งจะเป็นคนเห็นโลกตรงจริงยิ่งแม้รวยเท่าใดอย่างไรก็ต้องหายใจไม่มีใครรอดชีวิตเพียงด้วยความรวย หายใจยาวได้เป็นก็สุขมากถ้าหายใจสั้นไม่เอาไหนก็สุขน้อยแม้รวยเท่าใดอย่างไรก็ต้องตายอบอุ่วไปได้แต่บุญบาปไม่มีใครรวยแล้วรวยเลยจะเป็นสุขในประโลกได้ก็เพียงด้วยบุญที่สั่งสมไว้แม้รวยเท่าใดอย่างไรก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุด จะหยุดได้ก็เพียงด้วยยอดแห่งบุญคือรู้วิธีเห็นโลกตามจริงจนทอนความติดใจหลุดพ้นขาดจากความอยากมีอยากเป็นสิ้นแล้วรวยเงินแค่ห่างหนี้รวยธรรมะแค่ห่างบาปรวยความว่างจึงห่างทุกข์